เทศนาแผ่นที่75ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสาตุสโกวัดปา่าณะคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่25สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าผิดข้างนอกหมดหมองถึงข้างหน้า วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเข้าพรรษามาได้ยี่สิบกว่าวันตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาวันนี้เป็นวันที่ย5ห้าสิงหาในระหว่างก่ ผมก็ตั้งใจว่าจะถ้าหากว่าช่วงไหนว่างจะมีการประชุมในคณะหมู่พวกเพื่อนเพราะพวกเราต่างก็ได้เข้ามาบวชต่างวิชาอาชีพต่างตระกูลต่างการเป็นอยู่ะฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นวัดวาศาสนาผมผมเองก็ที่เป็นหัวหน้าก็อด ตกกังวลในหมู่ในคณะไม่ได้เป็นบางครั้งแต่ถึงยังไงผมก็มั่นใจว่าพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาด้วยดีมาทุกคนพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าพวกเราก็ทางโลกพวกเราก็ไม่ได้แพ้ใครเพราะเขาส่งเสริมการศึกษาอยู่แล้ว แต่ผมก็วิตกกังวลว่าแต่ถึงยังไงวิชาทางโลกกับวิชาทางธรรมถึงจะเป็นวิชาความรู้หาวิชาความรู้เข้าสู่ตัวเองกับทุกคนแต่ว่าวิชาทางพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่กิริยามรยาทคุณธ ร, ธรรมศีลธรรมจริยธรรมตัวนี้รู้สึกว่า มันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่าวิชาหาเลี้ยงชีพภายนภายนอกแต่ในวิชาทางพุทธศาสนาเป็นวิชาเป็นแนวความคิดจริยะความประพฤติเพราะนั้นในเมื่อเราเข้ามาถึงจะวิชาความรู้ทางโลกแต่วิชาทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้รับการแนะนำ อบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองก็กลัวจะพวกเราท่านทัน้งหลายจะขาดตกบกพร่องอาจจะเป็นความมิตกกังวลของผมก็ได้ในฐานะที่ผมผมเป็นหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในหมู่ในคณะเพราะนั้นผมจึงได้เรียกไปชมในระหว่างคือแปดคำสิบห้าคำอันนั้นแน่นอนอยู่แล้ว แต่ในระหว่างเราจะระชุมแต่เฉพาะพระทำความเข้าใจเฉพาะพระที่อยู่ด้วยกันพระะนันวันนี้จึงมีวันนี้เกิดขึ้นจะมีการประชุมหารือด้วยการเป็นอยู่่การเป็นอยู่กขอให้หมู่พกเพื่อนอยู่ด้วยความผาสุขอยู่ด้วยความตั้งใจอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย การเป็นอยู่ของพวกเราก็อยัางพวกเราได้ผ่านมาเกือบเป็นยีสกว่าวันเปลืองปัจจัย4ก็ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหรือว่าใครเห็นขาดตกบกพร่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่มันเกินความจำเป็นในเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อผมเปิดโอกาสอย่างนี้ก็ให้พวกท่านทั้งหลาย บอกเป็นตัวหนังสือแล้วว่าเข้ามาบอกผมเองก็ได้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าผมรับผิดชอบในหมู่ในคณะเรือ ว, ว่าการเป็นอยู่ของเราขาดตกปกพ่องอย่างไรอย่างไงผมก็จะเออขาดตกปกพ่องอย่างนี้ผมอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอย่างนี้อย่างนี้นะ ผมก็จะชี้นำชี้แนะให้ฟังไม่ใช่ว่าผมจะตามทุกเรื่องก็ไม่ใช่ถ้าจะให้คัดค้านทุกเรื่องก็ไม่อย่างก็ไม่คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมจะต้องฟังหลักเหตุผลแล้วก็นำแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดำเนินมาอย่างไรผมก็จะแนะนำบอกพระลูกพาหลานน้องนุ่งทั้งหลายให้เดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่า พวกเราเกิดกับพ่อกอกับครูไม่ใช่ว่าเราเข้ามาแล้วอยากจะได้ตามใจตามอาถรายใจตามอำเภอใจตามที่ตัวเองต้องการถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะบวชเราก็เป็นครวัตแต่ใ น, นเมื่อเราขอมาบวชแล้วเราก็ต้องศึกษาแนวปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรอย่างสมมติว่าอย่าง การเป็นอยู่แต่ผมก็ได้ตําแหน่งใกล้ๆเมื่อวานนี้เพราะการอยู่ด้วยกันพวกพวกท่านทั้งหลายเข้ามาใหม่การที่จะออกไปออกนอกวัดไปก็จะต้องบอกกล่าวบอกลาภิกสุซัก่อนที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยถ้าไปใกล้ไม่ไกลมีธุระอะไรมีจุความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าใครจะไปทางไหนก็ไปตามอำเภอใจ ไปตามอัธาใจไม่ได้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใครเป็นคนรับผิดชอบมันก็ต้องมาไม่ผลที่เป็นหัวหน้าที่เป็นสมภารแล้วเป็นหลวงพ่อเองเป็นผู้รับผิดชอบเพราะนั้นผู้ใดก็ตามเข้ามาเนี่ยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นลูกหลานเข้ามาบอกมอบหมายให้กับหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อจึงปล่อยให้ พระลูกของผมลูกหลานของผมทะเลทลายจนเกิดความเสียหายหลวงพ่อก็จะได้รับตำหนิจากพี่น้องประชาชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพระลูกพระหลานสิ่งเหล่านี้ถ้ามันจำเป็นจริงผมก็จะให้ไปอนุญาตถ้าไปโดยไม่มีไม่เหตุไม่มีเหตุไม่มีผลไปเพื่ออะไร ทะเลถลายไปเลยมิเตอยากจะออกจากวัดอา่าวจะออกก็ออกไปเออก็ไม่ว่าไล่ออกไปแล้วว่าไล่ศึกออกไปให้ศึกออกไปถ้าอยู่ในนี้มก็ต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะการเป็นอยู่ของพระขนาดาหลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่น้องผือนาในาาหลวงปูล่ลาท่านบอกว่า กับผมจะขอพาหมู่ไปเอาฟืนอยู่ข้างนอกกับขอหลวงปู่ท่านก็อย่างพาันจังหันเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นกุฏิหลวงปู่ล่าก็ไปขออนุญาตจากหลวงตามหาบัวหลวงตาก็เออออกไปเขาไปพอฟืนมาต้องอาศัยฟืนไม้แห้งที่ไหนมันมีไม้แห้งท่านก็ไปแล้วกัไปเอาเครือเขาเถาวันมัดแล้วก็ต่างคนต่างแบกมา พอไม้อยู่ในวัดมันหาไม้แห้งไม่ได้พอแบกมาตอนบ่ายหลวงปู่ท่านลงไปพอดีมันก็ไปเห็นหลวงปู่ล่ากับหมู่คณะกำลังน้อยหนุ่มนะพวกกำลังกลังแข็งแรงนะหลวงปู่ล่าก็ประมาณทักสามสิบต้นต้นยังแข็งแรงแบบฟื้นลงมาถ้าเกิดขู่ทันทีไปยังไงมายังไงหลวโพ่นี่ก็บอกว่า ไปเอาฟืนข้างนอกเพราะบางฟืนข้างในมันไม่มีไม้แห้งหายากก็เลยออกไปเอาฟืนข้างนอกได้รับอนุญาตจากใครบอกว่าได้รับอนุญาตจากอาจารย์มหาบัวฮะ อ, อาจารย์มหาบัวเป็นอาจารย์ของพวกท่านใช่ไหมทำไมไม่อนุญาตขออนุญาตจากเราอาจารย์มหาบัวเป็นผู้ใหญ่ในวัดนี้ใช่ไหมพวกนกั่งเงียบเหรอเพราะว่า ได้รับขออนุญาตจากท่านอาจารย์คีว mm ่ hmm. อา อ, อนุญาตง่ายๆแต่ในกดหลงจาน์ลงตามหาบัวได้ยินกับโอ้โหตายเดือดร้อนใหญ่เลยปีเข้าไปโอ้เข้าไปเก้าขอผมขอสารภาพผิด เ, เพราะว่ากับผมเองเพราะแม่ครูจานกัเข้าไปพักแล้วก็ พระท่านก็จะไปออกหาฟืนกัผมคิดว่าไม่ไกลเท่าไหร่ฟืนในวัดมันก็ไม่มีไม้แห้งเพราะฉะนั้นจึงก็บผมก็เลยขอก็บผมก็เลยได้ให้อนุญาตให้ไปก็ไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนหลายองค์ออกไปก็ได้ได้ฟืนมาความผิดอันนี้เป็นความผิดเก้าหกเก้าผมขอรับความผิดนี้แต่ผู้เดียวกัผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ต่อไปภายภาคหน้าเพียงแค่นั้นหลวงตามหาบัวก็ยังสารภาพผิดเถอเออเอาฐ า, า, ารับรู้รับทราบอย่นี้แล้วก็นะต่อไปต้องมีกฎระเบียบพวกการอยู่ด้วยกันนี่แหละเพียงแค่นั้น อ, องค์หลวงปู่ท่านก็นยังใส่ใจนี่แหละผมยกตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟัง การอยู่ด้วยกันมันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีธรรมวินยัยเป็นเครื่องปกครองผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าไปแล้วมีปัญหามีอะไรงูฉกงูกัดเกิดขึ้นเราจะไปรับรองได้ยังไงผลในสุดมีความเสียหายเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ไม่รู้น ะ, ะแต่เป็นยังไงความครหานินธาติฉินนินทาก็เข้ามาถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าวัด เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเ้าปวงพวกท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตัวเองดูตามลําพังตัวเองมันไม่ใช่หลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบในหมู่ในคณะเพราะพวกท่านทั้งหลายเข้ามากับมอบมาพกามอบกายถวายเป็นลูกศิษย์เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมามอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อในรับในฐานะอาจารย์ก็ต้องดูแลความรับผิดชอบเหมือนกับ โรงเรียนกินนอนลักษณะอย่างนั้น่ะเนี่ยมันมีพระวินัยคุ้มทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะจะไปจะมาที่ไหนต้องมีผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องได้รับอนุญาตชะกอนต้องรู้จักถ้าลุงพ่อถามพระเวรสาลาไปไหนไปอะไรพระเวรสลาต้องตอบได้ <c oughs> แต่ขนาดผมจะไปออกไปข้างนอกผมก็จะต้องบอกพระเวรสลา เออพระเวนะหลวงพ่อไปนู่นไปนี่นะวันนี้นะออถ้าเผื่อใครถามนะมีอะไรเกิดขึ้นออพระเวณสลาก็จะได้แจ้งข่าวใหออ้หมู่พวกเพื่อนได้รับรู้รับทราบว่าครูบาอาจารย์ของเราออกไปวันนี้ไปจุดนั้นจุดนีออ้สิ่งเหล่านี้นะ่ะคือล้วนแล้วจะเป็นวิทยไหนทั้งหมดถ้าหากว่าออไปไม่ได้บอกลาไม่ได้บอกกล่าวออท่านปรับอบัตแก่ผู้กระทำเช่นนั้น เพราะว่าการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรู้จากที่ไปที่มาไปมาอย่างไงอันนี้แหละให้พระเนนลูกหลานทุกองนะให้ศึกษาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไล้ยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้แหละคือวินัยเรื่องวินัยเนี่ยไม่ใช่เราจะล่วงเลยล่วงละเมิดไม่ได้มันเป็นถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันก็เป็นบาปอคุศลทางด้านจิตใจนะ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เขตแขวงกรุงพาราณสนะีท่านปารบถึงเรื่องพญานาคคือพญานาคท่านนี้แต่สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะอายุยืนถึงสองหมื่นปีคนสมัยนั้นคือสมัย ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะเนี่ยอายุยืนถึงสองปุลหมื่นปีในพัตตะกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็คือกากุจันโธ โ, โกณัคามโนกัจจปูเนี่ยองค์ที่กัจจปูนกัจจปะเนี่ยกัจจโปโคโตโมก็คือพระพุทธเจ้าของเราอริยะเมตโยคือพระศรีอริยะเม ต, เมตไตรที่จะมาตรัสองค์ที่ห้าแต่ในพระองค์นี้เน่ยท่านก็เป็นพระหนุ่ม ก็นั่งเรือร่องร่องเรือไปตอนนี้เขาเรือมันก็คงจะเป็นน้ําไหลเชี่ยวแรงนะเออมันก็เรือมันก็เอียงพอเรือเอียงแล้วก็พระเนี่็ไปจับใบตะไคร์ต้นตะไคร์กลัวมันจะเรือมันจะล่มเออแต่ที่ไม่วางใบตะไคร์เนี่ยใบตะไคร์เต็มกํามือเลยเออเป็นเต็มกำมือไปกับกํามือ จะว่าเจตานาก็ใช่เพราะว่ามันตัวเองกาดึงก่าลูดไปเลยเนยเพิกสู่พรากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปลาจิตตีอันนี้คือเป็นอบัติปาจิตตีแล้วนะท เ, นเพราะว่าตัวเองได้ลูดใบตะไคร้น้ำที่มันอยู่ในฝั่งแม่น้ำเรือมันเรือมันไหลผ่านมันก็คว้าใบตะไคร่ลูดไป แต่ทีนี้ตนเองก็ปฏิบัติภาวนาและรักษาศีลไปบำเพ็ญไปทั้งสองหมื่นปีแต่ไม่ได้แสดงอาบัติเพราะอยู่ตามลำพังอยู่ห่างไกลกับจากหมู่เพื่อนไม่ได้แสดงอาบัติไม่ได้สัปปตาและแสดงอาบัติบอกว่ารับผมได้ทําผิดได้ลูบไปไม้ตะไคร้ในวันนั้นอย่างอ่างแสดงอาบัติปาจิตี หงพันเตสมบาูานานาวัตุกายโยระบบปัจจิตยาโยนะไม่ได้แสดงอบัตพอก่อนที่จะตายก่อนที่พระองค์นั้นจะตายาที่บำเพ็ญมาทั้งสองหมื่นปีบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าความผิดเพียงแค่นั้นละ่ะเพียงที่เห็นได้ชัดก็คือแค่นั้นแต่รูดใบไม้ใบตะไคร้ไปกับมือ จากนั้นท่านก็เลยตายคอนที่จะตายใบตะไคร้เนี่ยมันมาพันที่คอเลยมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เรื่างตัวเองคงจะค่องคงจะตุบตุบต่อมต่อมอยู่ในจิตใจเราไม่ได้แสดงอาบัต เ, เ, เมื่อเราไปทำอยู่ในเรายังไม่มีโอกาสที่จะแสดงอาบัตแต่พอตัวเองจะตายนะใบตะไครนะ้น้ามาพันที่คอ เป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ถูกต้องนะมันแสดงผลพระออนั่งเลยใจขาดตายพอตายแล้วไปเกิดเป็นพญานาคนนะังทั้งที่องค์ตัวเองจะไปยุสู่สวรรค์ชั้นพรมนะไปเกิดเป็นพญานาคนะ พ, นะ พ, พอเกิดพญานาคมีอัตภาพเป็นนาคเป็นพญานาคใหญ่ตัวเท่าเรือโกนะใครเขาว่าเท่าเรือพาย ตัวยาวอีตัางหากอโอ้ทำไมเราเป็นพญานาคก็กรู้ได้ตายเราในทมเป็นอาบัติปาจิตติที่รูดใบตะไคร้กับกรรมมือที่เราไม่ได้แสดงอาบัตไม่ได้บอกกล่าวคืนความชั่วให้กับ ห, หมู่พวกเพื่อนเราเป็นอาบัตเราก็เลยใช้กรรมนั้นจ <c oughs> ากนั้นท่านก่อนเสียใจมีแต่เสียใจอยู่ในใจ เพราะอาหารสัตว์เทิดารก็คืออาหารขององูก็คือกบเขียดเป็นอาหารทั้ทงที่เราเป็นได้บาเพ็ญมาอย่างนี้แล้วทำไมเราจึงนั่นแต่ความรู้สึกนึกคิดเน่ยยังสำนึกสานึกได้อยู่ว่าเราเนเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้ก็เนี่ย อ, อยากจะฟังเทศ พออายุยืนขึ้นมาเอ๊พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกหรือเปล่านะนะีตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าแสดงวัานนาักอายุยืนทีเดียวนะฟังๆตามตำราเล่มนี้ดูล่ะเออจนมาถึงในศาสนาของพระพุทธเจ้าอก็นนี่แหละอยากจะมาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระโคตมะอุบัติขึ้นในโลกท่านก็ได้ให้ แนะนำสั่งสอนพญานาคเปลี่ยนกับตัวใหม่ได้มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าถ้านาคตัวนี้นะถ้าได้เป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมเทศนาในวันนี้เขาจะได้สําเร็จพระสูดาบันแต่นี้เขาเป็นนาคเขาเป็นสัตว์ทิฏฐิฉาลไม่มีโอกาสที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลถึงขั้นพระอริยบุคคลเป็นแต่เพียงได้เป็นผู้นับถือเลื่อมใส เท่านั้นล่ะจนกว่าที่จะเปลี่ยนอัตภาพจากนั้นเขาก็ได้เคารพนับถือเริ่มไส่ยอย่างสุดซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่ได้แสดงให้ฟังนี่แหละนิทานหรือว่าชาดกหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาบัตเพียงเล็กน้อยพวกเราท่านทั้งหลายอย่าชราใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมันเป็นบาปกรรมติดไปใน พบในชาติยืนยาวนานทีเดียวเพราะฉนั้นสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันที่มันชั่วอย่างก็อย่างนาคตัว น, นั้นแหละอย่างที่หลวงพ่อในพูดให้กับพวกพระลูกพระหลานฟังนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกการทำความชั่วเรื่องสั่งสิ่งที่มันไม่ดีถึงจะเป็นนิดหน่อยแต่ก็จะเป็นเครื่องเป็นเพะ เป็นพลังหรือเป็นเครื่องบ่งบอกในขณะที่ช่วงตัวเองจะใจขาดในช่วงนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านสิ่งไหนก็ตามที่จะเป็นในพ่อพีนัยให้ศึกษาให้เรียนรู้ในการเป็นอยู่แต่ลุงพ่อเองก็เป็นห่วงเรื่องเพราะว่าเวลารับประเันส่วนร่วม เราก็จะแดงกับปิยะอย่างนี้เป็นต้นนะกับปิยังโคลหิกับปิยังพันเตอแต่เป็นพระใหม่ได้สอนกันหรือเปล่าจุดนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้บอกบอ ก, กล่าวกับพระเก่าแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพระเก่าน่าจะสอนเรื่องวินนยพื้นๆเหล่านี้ให้พวกน้องๆตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งไหนก็ตาม ถ้าเราจะฉันเมล็ดเข้าไปในท้องของเราอย่างเป็นพริกเนี่ยถ้าว่าพริกเขาป่นแล้วมันแกงแล้วหรือเป็นอาหารแล้วอันนั้นก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าพิษอย่างแพอย่างเป็นเม็ดสดๆหรือผักสลแัแหน่ที่มันปลูกเกิดหรือตะไคร่หรือหอม ที่มันจะปลูกเกิดหรือผ ล, ลไม้ที่มันจะปลูกเกิดเงางะมักขามเนีย่ยที่เราเม็ดของมันจะเข้าไปในท้องของเราได้ง่ายๆ เ, เราก็ต้องทำกับปิยะก่อนอกับปิยังโลหิโยมกับกับปิยังพันเตแล้วก็สอนไว้แล้วนะอันนี้ให้พวกเราทุกๆุกท่านพระเนรทุกองนะให้ศึกษาในพระวินัยอันนี้ก็คือการอยู่การฉัน อย่าไปฉันแบบผิดวินยัยถ้ามันผิดวินัยแล้วคือมันผิด ม, มันมัวหมองอาบัตมีมันอยู่แล้วมันมัวหมองในจิตใจในการเป็นอยู่ถ้าหากว่าการกระทํากายกรรมวจีกรรมสินคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลถ้าสินของเราไม่เรียบร้อยเราล่วงละเมิดในสินหลายครั้งต่อหลายหน ผลในสุดมันก็เศร้าหมองไปถึงใจของเราด้วยทำให้ใจของเราเศร้าหมองมัวหมองแล้วก็การประพฤติปฏิบัติทมบําเพ็ญใจของเราก็ไม่ได้รับความสว่างเพราะอะไรเพราะมันมีมเมฆมีหมอกมีควันไฟมีอะไรบังเพราะความประพฤติของเรากายของเราไม่บริไม่บริสุทธิ์ในสิลนวาจาของเราไม่บริสุทธิ์ในศิล มันจะทอนถึงตัวผู้รู้คือใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายสํารวมนะพระเก่าให้ช่วยบอกสิ่งไหนที่มันผิดไม่ต้องเกรงใจเพราะพระใหม่เข้ามาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไ ม, ไม่ใช่หลักธรรมวินยัยก็ให้พวกท่านทั้งหลายแนะนำสั่งสอนพวกน้องๆที่เข้ามาใหม่ อย่าให้แต่ผมได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะมองไม่เห็นบางทีผมสัมผัสขึ้นมาได้พมกว่าเนำมาโพดมาชี้แจงให้ฟังจุดไหนที่ผมมองไม่เห็นพวกพระเก่าที่อยู่ด้วยกันไปมาหาสู่กันคุกครีกันดูดูดดแแรกันอยู่ก็บอกกล่าวนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพระใหม่พระเก่าที่อยู่ด้วยกันให้ถือเสมือนว่าเป็นอวัยวะ เหมือนแข่งเหมือนขาเหมือนตีนเหมือนมือพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรา <c oughs> อยู่ในศาสนาได้ก็เป็นสหธรรมิกอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ไม่ได้ก็เป็นออกไปเป็นคารวาสก็เป็นศรัท ธ, ธาญาติโยมดูแลอุปธรรมพระทกักวัดวาศาสนา <c oughs> จะได้รู้ว่าหลักพระธรรมวินัยเป็นยังไงวินัยเป็นยังไงพระอยู่ยังไง สิ่งเหล่านี้มันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันเป็นผลดีทางด้านจิตใจสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ในอ ย, ยอยู่ด้วยน้ำใจอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันเมื่อออกไปเป็นคารวะเราก็ได้พึ่งพาอาศัยกัน ดีกว่าที่เราอยู่คนเดียวตามลำพังไม่เข้ากับหมูเ่เมื่อออกไปแล้วกันต่อไปเวลาความมีความจำเป็นวัาก็ต้องอาศัยหมู่ต้องคนเราม่ต้องเป็นหมู่เป็นคณะต้องอาศัยที่ว่ากัญยาณมิตรเราต้องปลูกฝังอุปนิสัยกัญยาณมิตรมิตรที่ดีผู้ที่เขามาบวชในพุทธศาสนาหลวงพ่อเขามั่นใจว่าพวกเราอย่างน้อยก็เป็นผู้ มุ่งมั่นในศีลในธรรมในบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นลูกหลานคงจะไม่มาบวชในพระพุทธศาสนาในเมื่อพวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาถึงขนาดนี้แล้วพวกเรามาอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจวบมีอะไรก็บอกกล่าวกันเป็นกระยาณมิตรที่ดีต่อกัน ต่อไปภายภาคหน้านั่นแหละเราบวชมาอยู่ที่นาคำน้อยดูีิตั้งห้าสิบองห้าสิบตระกูลเป็นพระใหม่เกือบส0สิบไม่ใช่น้อยเหมือนกันคนที่สามสิบตระกูลพึ่งพาอาศัยกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันจะทำอะไรช่วยเหลือเจือจานกันงานนั่นก็ ไปได้ดีด้วยดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะมันเราไม่ใช่มองใกล้ๆไม่ได้มองวันนี้วันพรุ่งนี้ให้พระเนนลูกหลานมองไกลๆในการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะการได้มาบวชในคราวนี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในในนาคตัว น, นี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกเรื่องนาคตัว น, นี้นะนาคที่ได้ ตายพอเราไปเกิดเป็นนาคท่านบอกว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐแล้วการที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ า, าก็เป็นลาบอันประเสริฐมันไม่ใช่ธรรมดากรที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนจะได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ก่อนจะได้ฟังธรรมมันเป็นของหาได้ยากทางนั้นเพราะนั้นพวกเราได้โชคดีเป็นผู้มีลาบเป็นผู้มีลาบอย่างยิ่งอที่ได้เกิดมาแล้วจะเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้เราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าตั้งหลายต่อเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะได้พลาดโอกาส ให้ท้องอกตั้งใจภาวนาภาวนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้อยู่ตามลำพังกนนั้นให้มีสติสัมปชัญญะให้ภาวนาที่เราเคยนั่งนั่นเราจะไม่สอนซ้ำซากแล้วก็พยายามแต่ว่าให้ดูใจคตนเองเท่านั้นล่ะทีนี้กหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้า หายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้เรียกว่าสมมะพยายามทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานในเมื่อเราทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานเป็นพื้นแล้วต่อไปภายภาคหน้าเราก็พยายามถอนออกถอน อ, อกออกจากความสงบอาอออกจากความสงบที่มันเข้าสงบ นิ่งอยู่แล้วเดินทางวิปัชน า, ากำหนดพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้เราวิปัชนาเานึกดูร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงเราจะพิจารณาเป็นไตรักอไนจางทุกขังอนาตาพิจารณาเป็นอสุภะปฏิกูลร่างกายของเราเนี่เมื่อตายลงไปแล้วกับเปื่อยเน่า อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นและพิจารณาเป็นถาตสีมีถาดต๊ดินถาดน้ําถาดลมถาดไฟก็ได้หรือจะพยายามแยกส่วนส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่แยกดูที่ร่างกายของเรามีอะไรบ้างอย่างที่พวกเราได้สวดอย่างโคเมกายโญนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือให้ดูร่างกายของตนเองดูกายของตนเอง ให้ชัดเจนดูแบบช้ า, ชาไม่ใช่ดูแบบรวดลาดกดรวดกดลาดเออกลุกกระเลิกไปแล้วก็จบจบไปไม่ใช่ดูให้ช้ า, ชาดูให้ละเอียดละเอียดดูให้นิ่งนิ่งจิตใจผ่านความสงบมาแล้วในะดูกเกสาผมเป็นผมลักษณะยังไงเออมันเป็นเส้นยาวเออทมันอยู่ในผมในศีรษะก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อมันออกจากศีรษะไปแล้วไปตกในอ า, อาหารนะครับไปตกในเครื่องดื่มนะแลปลว่าขยะขยงไปเลยแล้วทั้งที่ว่าผมอยู่ในหัวของเราเนี่ยสะอาดนี่แหละขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันหนังหลุดหนังลุ่ยเป็นยังไงถ้าเราไม่อาบน้ำชำระกายมันเป็นยังไงมันมีกลิ่นเหม็นนะเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อมันดีเนื้อมันเน่า อย่างเนี้ยเห็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผิดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นเห็นเป็ น, ป น, ป น, ปนตามความเป็นจริงแต่ครูใบอาจารย์ท่านบอกเอาเถอะเมื่อพิจารณาถึงอาการสามสบสองแล้วก็เถอะให้พิจารณาดูให้ดูโครงกระดูกก็แล้วกันใ ห, ให้ดูโครงกระดูกเถอะ ไม่ต้องดูหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตปอดอย่างอื่นเอาไว้ก่อนให้ดูโครงกระดูกก็แล้วกันเพราะโครงกระดูกเนี่ยเราเห็นบางทีเราก็เห็นตามวัดหรือว่าเห็นที่ไหนๆหรือว่าเห็นตามหนังสือที่เขาพิมพ์ออกมาที่เขาถ่ายหรือว่าถ่ายเอ็กซาเล่โครงกระดูกดูปอดล้วก็เห็นโครงกระดูกกระดูกใครกระดูกตัวเองเราก็ดูกระดูกดูกระโหลกศีรษะ มองดูสิมองดูกระโหลกศีรษะตัวเองอ่ดูก็ดูฟันของตัวเองฟันบนฟันล่างขากันไกลดูจมูกของตนเองดูเบ้าตาของตนเองกระโหลกกเบ้าตาของตัวเองเป็นยังไงเฮ้กระโหลกศีรษะของเราเป็นยังไงแล้วมันหยุดกร ะ, กระดูกคอมันมันเชื่อมกันยังไงเฮ้กระดูกแขน ออกมาแขนขว า, ก ร, ก, า, ารกระดูกไหปารปากระดูกไหลเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงพ่อบนเป็นกระดูกศอกเป็นยังไงกระดูกแขนข้อร่างเป็นยังไงกระดูกข้อมือเป็นยังไงกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงเราต้องดูในหรายละเอียดจากนั้นก็มาดูข้างซ้ายอีก ให้ปลาระข้างซ้ายเป็นยังไงกระดูกไหลเป็นยังไงกระดูกที่มันชนกับไหลห้ปลาระมเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงข้อข้อบนกระดูกศอกเป็นยังไงกระดูกข้อล่างของแขนเป็นยังไงกระดูกข้อมือเป็นยังไงกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงแต่ละนิ้วละนิ้วไม่เหมือนกันอีกจากนั้นก็พิจารณาถึงโครงกระดูก ตัวกระดูกหน้าอกเป็นยังไงกระดูกชี่โคงมันมาอย่างไงมันออกมาจากกระดูกสันหลังอย่างไงดูกระดูกสันหลังพอกระดูกสันหลังกระดูกชี่โครงมันมาหุ่มปอดมามองหุ้มลำไส้มันมอหุ้มท้องเป็นยังไงกระดูกจากนั้นก็ลงไปหาเอวกระดูกเชิงกรานรดูกสะโพกกระดูกขาขวากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกข้อเท้า กระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้าแล้วกระดูกกดมากับมามันดูกระดูกทางซ้ายอีกดูกระดูกทางขวาล่ะนี่แหละพอดูเสร็จแล้วให้กลับดูย้อนขึ้นมาทั้งกระดูกซ้ายกระดูกขวาเอย้อนขึ้นมาหาข้างบนพอขึงข้างบนกระโดกกระโหลกทิศล่างลงไปอีก ไม่ใช่ไปดูครั้งเดียวหนอดูเป็นร้อยๆหมื่นๆชั้นแสนครั้งจนให้รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนว่าเราเห็นกระดูกของในร่างกายของเราเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นเออแล้วเมื่อพิจารณาดูของคนอื่นของคนอื่นกับของเราไม่แพ้กันอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงแต่ว่าดูแล้วไม่ดูเท่านั้นเองดูคนอื่นก็เหมือนกับของเราดูของเราก็เหมือนกับคนอื่นเพราะเป็นกระดูกมนุษย์กระดูกคน จะให้เหมือนกระดูกสัตว์ก็ไม่ได้แต่กระดูกสัตว์นั่นก็เป็นกระดูกอยู่แต่รูปร่างโครงสร้างเข้ามานะั้นต่างกันกับมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันแต่มนุษย์หญิงชายก็ต่างกันบ้างนิดหน่อยอันนั้นเราไม่ต้องเปรียบเทียบอาดูของเราเนี่ยละก่อนนะนี่หละเมื่อดูกระดูกของเราให้เห็นชัดเจนและกระดูกของเราเนี่ยนะจะยืนนานไปสักเท่าไหร่ในเมื่อเป็นกระดูกแล้วใจของเราคืออะไร ก็น้อมมหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราเนี่ยไปหลงหลงร่างกายนี่นหะว่าเป็นของเราแท้แต่ตามไม่จริงมันไม่แท้นะมันเป็นอื่นอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะร่างกายน่าจะต้องเท่าแก่ชลาผลิี่สูกนั่นนะแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟคือตายไม่มีใครที่จะอยู่โชเฟ้าตาปีได้ อีกสักวันหนึ่งนะไม่รอดวันไหนละเพราะนั้นเราอย่าหลงอย่าลืมตัวเกินไปนะใจนะย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจนี่นี่แหละไอ้นี่แหละคือแยกแยะวิปัสสนาตัวส่วนสมถะนั่นคือพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ใจคิดไปในอดีตไม่ให้ใจคิดของจิตใจของเราคิดไปในอนาคต ให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นในเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นไม่ให้มันเผลอไปที่อื่นให้กาหนดอยู่ที่นั่นบังคับนะให้มาอยู่กับตรงนั้นจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนเะน่งรวมสงบพอรวมรวมจิตใจรวมเป็นหนึ่งนั่นแะหละใจจะมีกำลังแล้วทีนี้ เมื่อจิตใจรวมสงบแล้วเป็นพรังและเป็นกำลังขึ้นมาจากนั้นเมื่อใจของเรามีกำลังใจสงบแล้วนะั้นมันมีความสุขในระดับหนึ่งนะพระลูกพระหลานลูกหลานทั้งหลายนะมันมีความสุขจริงสุขลึกลึกยสุขแบบเย็นเย็นมีความสุขจริงๆในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่า ความสงบไม่มีจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งนะมีความสุขละเอียดอ่อนมีความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้ไะให้พวกเราท่านทั้งหลายบวชมาทั้งทีคราวนี้บวชมาทั้งทีชีวิตคราวนี้ละ่ะหลวงพ่ออยากจะให้พวกพระลูกพระหลานนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งเดินจงกรมนั่งนั่งให้นาน หลายชั่วโมงเดินจงกรมให้หลายชั่วโมงทดลองเลยสิพอเรามาเพื่อเดินจงกรมมาปฏิบัติมาเพื่อภาวนาไม่ใช่มาอย่างอื่นไม่ไม่ใช่หาความสุขสนุกสบายในการบวชไม่ใช่แหมเราไม่ใช่ไปเที่ยวไปเตยไม่ไใช่ไปเที่ยวชายหาดทะเลไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่เราไม่ได้ทัศนาจร อ, อย่างนั้นไม่ใช่เข้ามาเพื่อบําเพ็ญตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา ที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พระลูกพาล้ให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบนั่งให้นานเดินให้นานให้มีสติบังคับให้มีสติอยู่กับตนตนเองหาขาข า, ขาขาขวาเข้าขาขวาพุทขาซ้ายโธให้ภาวนาพุทโธพุทโธพยายามทําจิตใจให้สงบเมื่อสงบแล้วถอนออกจากความสงบมาพิจารณา ทางด้านปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุสีดินน้ำลมไฟพิจารณาอสุภะปฏิคูลพิจารณาโครงกระดูกอย่างที่หลวงพ่อได้แจ้งในหลายละเอียดว่าให้พิจารณาโครงกระดูกทั้นลูกหลานนะเพรามันเห็นได้ชัดนะนี่แหละเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวโพวรู้คือใจอนี่แหละการภาวนาแยกแยะแย ก, แย ก, แยกส่วนแบง่งส่วน เราทําใจให้บริสุทธดหลุดพ้นแล้วน่ะเลิศประเสริฐที่สุดนะลูกหลานพระเนนทุกองนะให้ตัง้งอกตั้งใจภาวนาเนอะพวกเรามาทั้งทีมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมปู่ญาตายายก็มีความมุ่งหวังมีความตั้งใจอยากจะให้พวกพระลูกพระหลานเป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนา อ่ะตอนนี้ไปก็นั่งภาวนานแล้วตนี้นะนั่งภาวนาสักช่วระยะเนี้ยค่อยเลิกกัน